ต่อไปว่าชื่อว่าอันตรายเนี่ยเพราะอัตถาว่าเป็นที่อยู่แห่งอากุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะก็คืออากุศลธรรมอัลามกเหล่านั้นย่อมเกิดในอัตภาพนั้นน่ะอยู่อาศัยในอัตภาพมันเกิดมันไม่ได้ไปเนี่ยนะโรภาโทสาโมหะมันเกิดที่ต้นไม้ใบหญ้าหรือเปล่าใช่เกิดในเนี่ยในอัตภาพนี่แหละเปรียบเหมือนเหลา่าสัตว์ที่อาศัยรู ย่อมอยู่ในรูที่อาศัยน้ําอยู่ในน้ําที่อาศัยปลาอยู่ในปลาที่อาศัยต้นไม้อยู่ที่โคนต้นไม้ฉันใดอากุศลธรรมอัารามกเหล่านั้นก็เกิดในอัตภาพนี้และอาศัยอยู่ในอัตภาพนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเนี่ยนะอยู่ในใจเรานี่แหละเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอันตรายเพราะเป็นที่อยู่แห่งอากุศลธรรมทั้งหลายมันอันตรายขนาดไหนมือเนี่ยไปทําบาปไว้เท่าไหร่เจ้ามีมือเนี่ยนะสัตว์ตายเพราะมือเราเนี่ยตายมากับมือเลยนี่แหละเท่าไหร่แล้วอย่างนันะ ทำบาปมา ก, กับปากนี่แหละเท่าไรแล้วเนี่ยนะร่างกายทุกส่วนส่วนไหนไม่เอาไปทําบาปบ้างเอามีไหมล่ะฮนะ อ, อยากเต็มทีเนี่ยนะคิดถึงมือเอามือไปทําบาปนะคิดถึงเท้านะเอาเท้าไปทําบาปอีกและวคิดถึงเขาก็เอาเขาไปทําบาปนะคิดส่วนไหนบ้างไม่เอาไปทําบาปอา่ะฮอยากเต็มทีเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่อยู่แห่งอากุศลธละทำทั้งหลายเนี่ยนะ เอาทวารตาไปดูสิ่งที่ไม่ควรดูเอากว่าทวารบาปไปฟังสิ่งที่ไม่ควรฟังกว่าทวารบาปไปดมสิ่งที่ไม่ควรดมกว่าทวารบาปไปกินไปพูดสิ่งที่ไม่ควรกินควรพูดกว่าทวารบาปนะนะส่วนหัวกวทวารบาปส่วนมือส่วนแขนส่วนขาส่วนกายข้างหน้ากายข้างหลังเป็นที่ตั้งแห่งบาปหมดเลยนั้นบาปนี่มันอาศัยอัตภาพเราที่นี่แหละอัน น, นีสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูจน์ทางลายภิกษุผู้อยู่ร่วมกับกิเลสอันอาศัยอยู่ในภายใน อยู่ร่วมกับกิเลสที่ฟุ้งซ่านย่อมอยู่ลําบากไม่ผาสุขดูกรพิสูทั้งหลายก็ภิกษุผู้อยู่ร่วมกับกิเลสอันอยู่อาศัยในภายในอยู่ร่วมกับกิเลสที่ฟุ้งซ่านย่อมลําบากอยู่ไม่ผาสุขอย่างไรก็คืออกุศลธรรมอัลลาห์มกมีความดำริซ่านไปในอารมณ์อันเกือ้อกูลแก่สังโยชตย่อมเกิดแก่พิสูุในธรรมวินัยนี้เพราะเห็นรูปด้วยจักษุฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องโพธาพ้าด้วยกาย รู้แจ้งทรมารมณด้วยใจอากุศลธรรมอ ล, ลามกเหล่านั้นย่อมสร้านอยู่ในภายในแห่งพิสูจนั้นเพราะเหตุนั้นพิสูจนั้นจึงเรียกว่าผู้อยู่ร่วมกับกิเลสอันอยู่อาศัยในภายในอากุศลธรรมอ ล, ลามกนั้นย่อมกลุ่มรุมพิสูจนั้นเพราะเหตุนั้นพิสูจนั้นเรียกว่าผู้อยู่ร่วมกับกิเลสที่ฟุ้งสั้นเะนี่ยนะอันกิเลสก็ซาดเป็นไปในทวารหกเนี่ยนะทวารทวารแห่งบาปทั้งนั้นเลยนะ ดูก่อนพิสษุทั้งหลายพิสูจที่อยู่ร่วมกับกิเลสอันอาสอยู่อาศัยในภายในผู้อยู่ร่วมกับกิเลสที่ฟุ้งซ่านย่อมอยู่ลําบากไม่ผาสุกอย่างนี้แลสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูุทั้งหลายทำสามประการนี้เป็นมนทินภายในเป็นอามิตรภายในเป็นฆ่าศึกภายในเป็นเพชฌฆาตภายในเป็นศัตรูภายในทำสามประการเป็นชนะคือโลภะโทสะโมหะเนี่ย เป็นมนทินภายในเป็นอมิตรภายในเป็นข้าศึกภายในเป็นเพชฌฆาตภายในเป็นศัตรูภายในนะก็โลภะเกิดทําลายสมถะหมดเรี้ยงโทสะเกิดทําลายศีลสารพัดศีลเนี่ยนะโมหะเกิดทําลายปัญญาสารพัดปัญญาเพราะฉะนั้นเป็นข้าศึกอันนะเป็นศัตรูเป็นมนทินเป็นเพชฌฆาตเป็นศัตรูที่นอนอยู่ภายในอันนะคำนวนไทยเรียกว่าเกลืออยู่แค่เรีกเกลืออยู่เป็นนอนเนี่ยนะลักษณะนั้นอันนะ มันเก็น์ค่าภายในหรือสนิมที่อยู่ในเหล็กนั่นแหละมันพงองก็ตรัสว่าโลภะโทสะโมหะยังสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้เกิดโลภะโทสะโมหะยังจิตให้กำเริบโลภะโทสะโมหะเป็นภัยเนี่ยเกิดในภายในภารชนย่อมไม่รู้สึกถึงภายนั้นคนผู้โลภคนผู้โกรธคนผู้หลงย่อมไม่รู้อัดคนผู้โลภผู้โกรธผู้หลงย่อมไม่เห็นธรรมความโลภความโกรธความหลง ครอบงำนรชนในขณะใดความมืดตือก็มีในขณะนั้นมืดไปหมดเลยนะเดินซึมซึมเสื้บลเบลยนั่นแหละนั่นเองง่วงเงาเงาเศร้าเศ้าซึมซึมอยู่นั่นแหละนนนนและสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูจน์ทางดูก่อนมหาบาพิษธรรมสามประการนี่แลเกิดขึ้นในภายในแห่งบุรุษย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกข์เพื่อความอยู่ไม่ผาสุกธรรมสามประการเป็นไฉ่ คือโลภะเมื่อเกิดขึ้นในภายในแห่งบุรุษย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกข์เพื่อความอยู่ไม่ผาสุกโทสะโมหะก็เหมือนกันเนี่ยนะย่อมเกิดขึ้นในภายในแห่งบ <carbon ican> <ans> <Yeah>. ุร <literal ness> ุษย่อมเกิดขึ้นเพื่อความไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกขเพื่อความไม่อยู่ผาสุกดูก่อนมหาบพิษทำสามประการนี่แลเมื่อเกิดขึ้นในภายในแห่งบุรุษย่อมเกิดขึ้นเพื่อม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกขเพื่อความอยู่ไม่ผาสุก ดังคถาที่ประพันธ์ตอบไปอีกว่าโลภโทสะโมหะเกิดขึ้นในตนย่อมกำจัดบุรุษผู้มีจิตลามกคือจิตเป็นบาปเหมือนขุยไผย่กำจัดไม้ไผ่ฉะนั้นแล้วพระองก็ยังตรัสอีกว่าราคะโทสะโมหะมีอัตภาพนี้เป็นเหตุเกิดในร่างกายนี้แหละเกิดแต่อัตภาพนี้ไม่ยินดีในกุศลนะนะตาเนี่ยนะชอบไม่ที่จะไปอ่านพระไตรปิดกกันนะหูชอบไม่จะไปฟังธรรม จมูกชอบไปเกี่ยวอะไรที่จะรักษาศีลไหมเอ้าตรงกันข้ามหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไปยินดีในกามมคุณที่ทำให้ขนลุกขนพองบาปปวิตกตั้งขึ้นในใจแต่เกิดจากร่างกายนี่แหละผูกจิตเอาไว้เหมือนกับพวกเด็กผูกกาเอาไว้ที่คอเท้าฉะนั้นเพราะฉะนั้นอันตรายเนี่ยเป็นที่อยู่แห่งบาปอากุศลดังกล่าวมา คำว่าในโลกคือในมนุษย์โลกคำว่าภิกษุเมื่ อ, อเมื่อภิกษุไปสู่ทิศที่ไม่เคยไปทิศไหนบ้างที่เราไม่เคยไปทิศเหนือใต้ออกตกบนล่างเนี่ยตรงไหนบ้างไม่เคยไปข้างบนก็ขึ้นเคยขึ้นที่สูงใช่ไหมเหนือก็เคยไปใต้ก็เคยไปออกตกเฉียงเฉียงก็เคยไปมาหมดข้างล่างเราก็เคย ล, ลงบ่อเป็นต้นเนี่ยนะก็รู้ว่าเออไปมาเทิศทั้งสิเนี่ยไปมาทุกทิศแล้วทิศไหนที่ไม่เคยไป ก็บอกว่าอมตะนิพานคือความสงบสังขารทั้งปวงความสลละคืนอุปธิทั้งปวงความสิ้นตันหาความสํารอกตันหาความดับตันหาความออกจากตันหาเป็นเครื่องร้อยรับเรียกว่าที่ที่ไม่เคยไปใครเคยฝันว่าไปทิศนี้บ้างเคยฝันมาเห็นนิพานไหมฝันยังไม่เคยเลยจะกล่าวไปใหญ่ถึงตื่นเต้นเ น, น่ยนะทำเราอยากเขารู้บอกว่ารวยยังเพิ่ฝันว่าจะร่ําจะรวยกันบ้างไหมนี่ยากเนี่ย ใครฝันว่าตัวเองจะต้องบรรลุได้ๆจริงๆเลยนะฝันว่าบรรลุแล้วเนี่ยนะเกิดมาเพิ่งได้ยินพระรูปหนะึ่งท่านบอกว่าท่านฝันว่าได้บรรลุแต่ไม่รู้บรรลุอะไรของท่านนะแต่ว่าตอนนี้ศึกไปนานละนนะแสดงว่าไม่จริงอะ่ะ น, นะนั้นคําว่าทิศที่ไม่เคยไปในที่นี้หมายถึงนิพพานเนี่ยนะทิศที่ยังไม่เคยไปโดยการยืดยาวนานเนี่ยชื่อว่าทิศที่ไม่เคยไปเมื่อไหร่ว่างที่เคยไปยังเนี่ยนะ อันบุคคลพึงประคองภาชนะน้ำมันอันเต็มเสมอขอปากเต็มเปี่ยมฉันใดพระโยคาวจรเมื่อปรารถนาที่ที่ยังไม่เคยไปก็พึงรักษาจิตของตนเนืองๆฉันนั้นประคองภาชนะน้ำมันไม่ให้ตกไม่ให้รั่วนเนี่ยนะประคองจิตไม่ให้เป็นบาปอย่างนั้นถ้าปรารถนานิพผ่านถ้ารักษาจิตไม่ได้ขนาดนั้นก็อย่าวังนกันเพราะฉะนั้น อัตถกาถาท่านบอกว่าผู้ปรารถนานิพานควรบำเพ็ญเพียรด้วยกายคตาสติเนี่ยนะรักษากายคตาสติให้ดีฮันเมื่อภิกษุไปดำเนินไปก้าวไปสู่ทิศที่ไม่เคยไปฉะนั้นจึงชื่อว่าไปสู่ทิศคือนิพานที่ไม่เคยไปคำ ว, ว่าภิกษุเพึงปราบปรามอันตรายเหล่าใดความว่าภิกษุเพึงปราบปรามครอบงำกำจัดขับไล่ย่ำยีอันตรายเหล่าใดเพราะนั้นภิกษุเพึงปราบปรามอันตรายเหล่าใด คำ ว, ว่าในที่นอนที่นั่งอันสงัดความว่าในที่นอนที่เป็นที่สุดนะส่วนสุดสุดรอบเป็นส่วนสุดแห่งภูเขาหินสำนวนเขาโน่นไปอยู่ฟากนน่นเหมือนกันไปอยู่สุดป่าไปอยู่สุดน้ําไปอยู่สุดแม่น้ําไปอยู่ที่เขาไม่ไทไม่วานไม่เป็นอุปจาระแห่งพวกมนุษย์ล่วงเลยหมู่ชนเพราะฉะนั้นเรียกว่าที่นั่งที่นอนอันสงัด สรุปคาถาที่กล่าวไปว่าเมื่อภิกษุไปสู่ทิศที่ไม่เคยไปคือนิพพานเนี่ยนะพึงปราบปรามอันตรายทั้งภายในทั้งภายนอกในที่นั่งที่นอนอันสงัดอันตรายเหล่านั้นนะมีเท่าไหร่ในโลก น, น, นะคำถา ม, ม น, นะคำถามต่อไปอีกว่าเมื่อภิกษุอ บ, บรมตนอยู่เธอพึงมีเธอพึงเป็นผู้มีคลองแห่งถ้อยคําอย่างไร พึงเป็นผู้มีโคจรในศาสนานี้อย่างไรพึงเป็นผู้มีศีลและวัดอย่างไรอันคำว่าเป็นผู้มีคลองแห่งถ้อยคำแปลว่าพูดยังไงอ่ะนะี่ยแบวชอยู่ในศาสนานี้ปรารถนานิพพานเนี่ยต้องพูดยังไงบ้างพระเถระย่อมทูล ถ, ถามถึงความบริสุทธิ์แห่งวาจาว่าภิสูนนั้นพึงเป็นผู้ประกอบด้วยคลองแห่งถ้อยคำเช่นไรคือถ้อยอด้วยถ้อยคลอง ถ้อยคำนะที่ดำรงไว้อย่างไรมีชนิดอย่างไรมีส่วนเปรียบอย่างไรความบริสุทธิ์แห่งวาจาเนี่ยเป็นไง น, นะถ้าจะต้องรักษาวาจาให้บริสุทธิ์เนี่ยต้องรักษาอย่างไรเพราะนันภิกษุในธรรมวินัยนี้ละมูสาวาจละคำพูดที่ไม่จริงเนี่ยนะเว้นขาดจากมูสาวาดคือพูดคำจริงนะนรงอยู่ในคาจริงพูดถ้อยคามั่นคง มีถ้อยคําที่เชื่อถือได้ไม่พูดคล้าให้คลาดเคลื่อนแก่โลก น, นะพูดแต่ความจริงนะเห็นก็ว่าเห็นไม่เห็นก็ว่าไม่เห็นได้ยินทราบรู้เป็นต้นเนี่ยนะก็ว่าทําไม่เห็นก็ว่าไม่เห็นเป็นต้นนะละปิสุณาวาจาคือคําพูดสอเสียดเว้นขาดจากปิสุณาวาจาคือคําพูดสอเสียดอ น, นะคือ ฟังจากข้างนี้แล้วไม่ไปบอกข้างโน้นเพื่อทําลายคนหมูน่นี้หรือฟังจากข้างโน้นแล้วไม่มาบอกคนหมู่นี้เพื่อทําลายคนหมูนน่นูน้นอะนนะเป็นผู้ที่สมักสมานคนที่แตกกันคือสมานประสานคนที่แตกกันส่งเสริมคนที่พร้อมเพียงกันมีความพร้อมเพียงเป็นที่มายินดียินดีในบุคคลที่พร้อมเพียงกันมีความเพลิดเพลินในบุคคลที่พร้อมเพียงกัน กล่าววาจาที่ทำให้เขาพร้อมเพียงกันด้วยประการอย่างนี้นะชมเชินนเชมเชยยกย่องสนับสนุนให้คนเนี่ยสมัครสมานสามัคคีพรองดองกันละพุทธสวาจารเป็นผู้เวน้นขาดจากพุทธสวาจากล่าววาจาที่ไม่มีโทษอันภพเราะโสดเป็นที่ตั้งแห่งความรักอย่งลงถึงหะไทยเป็นคำของชาวเมืองที่คนมูมากพอใจชอบใจมันก็ละคาชั่วซะพูดแต่คาที่ดีเนี่ยนะ พูดแต่คำที่คนอื่นเขาฟังแล้วไม่เจ็บใจและสัมผัสปลาปะเป็นผู้เว้นค่ะจากสัมผัสปลาปะคือผู้คำพูดเพ้อเจ้อเนี่ยเว้นทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดก็พูดโดยกาละอันสมควรพูดจริงพูดอิงอัดพูดอิงทาพูดอิงวินยัยกล่าววาจาเป็นหลักฐานที่มีที่อ้างอิงมีข้ออุปมามีส่วนสุดประกอบด้วยประโยชน์โดยกาละอันสมควร เป็นผู้ประกอบด้วยวจีซูตสุจริตสประการเนี่ยนะกล่าววาจาปราศจากโทษ4ประการเพราะฉะนั้นงดเวน้นเว้นขาดออกสลัดพ้นไม่ประกอบด้วยเดรัจฉานสามเรื่อง น, น, นะอย่าไปพูดเดรัจฉานกรถาส2เรื่องเป็นผู้มีจิตปราศจากเดนกิเลสอยู่นันก็กล่าวแต่เฉพาะกระถาวัตถุสิบประการคือกล่าวเรื่องมักน้อย นะมักน้อยในปัจจัยสี่มักน้อยในทุดงมักน้อยในปริยัติกล่าววาจาว่าด้วยมักน้อยในอธิคมนะเป็นผู้สันโดษก็คือสันโดษในปัจจัยสี่นะไม่ว่าจะเป็นยะถาพล ะ, ะาล า, าสันโดษยะถาลาภาสันโดษยะถาสารุปปะสันโดษนะสันโดษในการได้นะสันโดตตามมีตามได้สันโดษตามกําลังสันโดษตามควรเนี่ยนะ กล่าววิเวกกถาเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกถ้าจะพูดก็พูดถึงการไม่คลุกคลีด้วยการเห็นด้วยการฟังด้วยการพูดการคุยด้วยการแลกเปลี่ยนข้าวของเครื่องใช้ด้วยการจับต้องนะมันก็หลีกเลี่ยงคําพูดที่คลุกคลีกันปรารบเนนะี่ยนวิรยิยมภากรถาก็พูดแต่การปรารบความเพียรทางกายและความเพียรทางจิตในอิริยาบท4เนี่ยนะ กล่าวสีลกคขาที่เป็นโลกิยะศีลที่เป็นโลกุตระกล่าวสมาธิกาถาที่เป็นโลกิยะสมาธิที่เป็นโลกุตระกล่าวปัญญาที่เป็นโลกิยะโลกุตระกล่าววิมุตติกถาคืออริยผลทั้งหลายกล่าววิมุตติญาณทัศนกถาคือปัจเจกนาญาณ19นั้นก็พูดแต่สติประธาน4เนี่ยนะกล่าวแต่สัมมาประธาน4อิทธิบาทสีอินทรียห้าพละห้าโพชงเจ็ดอริยมารมีองค์แปดนก็กล่าวมักกล่าวผลกล่าวนิพพาน เป็นผู้ประกอบสัมรวมสัมรวมเฉพาะคุ้มครองระวังรักษาวาจานี้ชื่อว่าความบริสุทธิ์ทางวาจาภิกษุเป็นพึงเป็นผู้ประกอบด้วยความบริสุทธิ์แห่งวาจาเช่นนี้ฉะนั้นเธอจึงชื่อว่าเป็นผู้มีคลองแห่งถ้อยคาอย่างไรก็ถ้าจะพูดก็ต้องพูดแนวนี้นะ